พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าบวชเป็นพระก็ดูแลพ่อแม่ได้ได้ยินทพ อ, อ, อสุจิต โหดเมื่อกี้นี่ว่ามันชะนีมันร้องผิดปกติได้ยินว่ามันวันนี้ประกาศกฎอายการศึกใช่ไหม <c oughs> วันนี้วันนี้เขาประกาศกดอายการศึกนะพวกเราจะไปชุมนุมกันเกินสามคนนะกันสองคนคุยกันได้อยู่ <c oughs> โอ้บ้านเมืองไม่รู้จะว่ายังไงนะลูกหลานเะนี่ย ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะว่ายังไงทิฏฐิมานะถ้าทุกคนหวังดีด้วยกันหมดทุกคนการพูดถูกต้องแล้วก็ยอมรับกันมันจะนยากกิเลสยากยากยา ก, ยากมากๆแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบเก้าพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด วันนี้พระในวัดของเราทั้งหมด34รูปวดฉันสามรูปแต่ว่ามีนาค่านะนาคห้าคนแล้วก็คุณชายชกดิสารคุณวราพรพร้อมครอบครัวได้มอบเงินได้มอบค่าเตียงให้โรงพยาบาล นาโยงของเรานะเตียงพยาบาลตั้งแต่สร้างโรงพยาบาลมาก็ยังไม่มีเป็นเตียงเก่าอยู่ตั้งแต่พร้อมสร้างวัดหลวงพ่อนะ่ะคุณวราพรคุณชายศรีสานมาปฏิบัติธรรมพร้อมกรอบครอบครัวที่วัดของเราเห็นว่าเตียงในโรงพยาบาลของเราชำรุดทางพออ่ะ ใหม่ก็พอออกหญิงของพวกเราเนี่ยได้เครื่องเอ็กซเรจากอาจารย์หมอพงศักดิ์ที่มาบวชที่วัดของเราศึกออกไปแล้วท่านก็เอาให้เครื่องเอ็กซเรราคาทั้งสล้านกว่าบาทเน๊ยคราวนี้ก็คุณชายศิีสานชุมพลพร้อมกับครอบครัว อ, อ, อ่าพอ แพทย์หญิงกัญยารัตน์อินทะบุญศรีเนีน่เป็นพออโรงพยาบาลนายุงท่านคุณชายก็ได้ถามว่าขาดเหลืออะไรในโรงพยาบาลพ่อพ อ, อเขาก็เลยเรียนท่านท่านก็เลยเออเดี๋ยวผมจะช่วยท่านก็เลยซื้อเตียงทั้งหมดนะเก้าเตียง เตียงธรรมดาแบบหมุนหมุนแบบเตียงแบบหมุนธรรมดานะี่เจเตียงแล้วก็เตียงระบบไฟฟ้าสองเตียงรวมแล้วเป็น9้าเตียงเป็นเงินทั้งหมด20งแสนหนึ่งหม0 0นสี่บาทสอนหนึ่งหมื่บาทนี่นะหลวงพ่อมอบให้แล้วนะที่นี่นะรับมอบเพื่อจะไปส่งให้กับ เจาของเตียงเขาเตียงห้องเราก็เอามาใช้แล้วล่ะ็ะดีเออเอามาใช้ก่อนหน้านี้แล้วไม่มีปัญหาเราจึงได้หลวงพ่อก็ได้นำทำเช็คที่คุณชายถวายผ่านหลวงพ่อนะหลวงพ่อได้ทำเช็คก็ะมอบให้เนี่ยทางผ อ, อโรงพยาบาลนายุงของเราเนี่หละ่ะ อันนี้คือวัดวาศาสานาคนที่มาปฏิบัติธรรมถ้าว่าขาดเหลือขาดตกสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ถ้าเขาขอมาทางหลวงพ่อหลวงพ่อก็พร้อมที่จะบอกกล่าวให้กับผู้ที่มาเกี่ยวข้องว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนก่อนหลายๆที่หลายๆแห่งหลายๆเรื่องเหมือนกันที่หลวงพ่อได้ช่วยมองดูชุมชนและสังคม เราไม่ได้มองแต่วัดของเรานะมองรอบๆด้านรอบๆข้างอีกเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้แม่ของครูบอแผนใช่ไหม <c oughs> แม่คกูบอแผนมาคูบอแผนบวชทีแรกก็จะบวชชั่วคราวแต่ตามไม่จริงคูบอแผนสนใจธรรมะมนตั้งแต่ก่อนบวชหลวงพ่อมาสามเด็ก นี่มันรู้สึกว่าสนใจใ ย, ยธรรมะ่ะหลวงพ่อมองดูแล้วก็อื้งคนสนใจปฏิบัติธรรมแต่พอมาบวชแล้วก็คงจะขอแม่บวชตลอดไปไม่มีกำหนดแต่ทั้งแม่ทั้งพี่ชายคงจะตุบๆตุต่มๆเหมือนกันนั้นไม่ต้องเสียใจต่อหลวงพ่อว่านะลูกชายบวชในพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ดีถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา หลวงพ่อรับรองรับประกันเรื่อยๆว่ากูบ่แพนเนี่ยจะต้องดูแลแม่คนหนึ่งไม่แพ้พี่ๆสองคนนั้นกูบาท่านจะต้องดูแลท่านจะไม่ทอดทิ้งพ่อแม่เพราะเหตุไรเพราะหลักของพุทธศาสนาเนี่สอนอย่างนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่สอนให้ทอดทิ้งพ่อแม่ให้รักเคารพปฏิบัติพ่อแม่เพราะหลักทำคาสอนของพระพุทธเจ้านขนาพระพุทธองค์ ประสูตรมาได้เจ็ดวันพระมารดาสวรรคตขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิดนะเป็นเทวบุตรอยู่นูนพอพระพุทธเจ้าได้ตัดจารุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระาศาสนาพอสมควรเลยยังขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดุสิดอยู่ที่นูนถึงสมเดือนไม่ได้ลงมาจนออกพรรษาค่อยมาใว่าะเราตักบาตรเทโวะนั่นแนหะคือท่านขึ้นไปโปรดพระมารดา บนสวรรค์ชั้นรุศิดนะจากนั้นเมื่อพระองค์ได้ตดรัสรู้ไม่นานก็มาโปรดพระบิดาที่กรุงกบิลพัทพระบิดาก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันต่อมาโปรดอีกครั้งสองได้เป็นพระอนาคามีโปรดครั้งที่สได้เป็นพระราหันต์วรรคสุดท้ายหนึว่ายกพระบิดาขึ้นฝั่งแล้วคืออมตะคือไม่ใช่พระเจ้าจุทโถสวรรค์คดนะ พระเจ้าสุดโถปรินิพานฮะเพราะเหตุไรเพราะท่านได้สำเร็จเป็นพระหันพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าเพวัะ น, นั้นในพระสาวกหรือพระพุทธพระพุทธเจ้าน่ยไม่เคยทอดทิ้งบิดามารดาถึงในอนดีตท่านก็บอไม่เคยทอดทิ้งแม่พ่อแม่ตาบอดจังเลี้ยงดูเราไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่อย่างสุวรรณสามอย่างนี้ในประวัติของสิบชาติของพระพุทธเจ้า อย่างภาษารียบุรก็เหมือนกันแม่เป็นมิจฉาทิฐิมีพี่น้องเดีวยวกันตั้งเจดคนเวลาท่านจากปรินิพานถ้ายังได้ไปนอนในห้องประสูตรโยมแม่ของท่านที่ท่านห้องที่ท่านประสูตรที่ห้องเกิดของท่านโปรดมารดาของท่านจนได้สำเร็จพระโสดาบัดท่านก็เออเอายกแม่ขึ้นไปบนสันสวรรค์แล้ว ไม่ตกนรกแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วนะท่านก็ทําการปรินิพานภนะาษาเลบุตแต่พระโมคขลาเนะี่ยโปรดแม่ไม่ได้เนะพราแม่เนะี่ยดันทุลังอย่างสุดๆเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างสุดๆพระโมคคลาเนะี่ยสุดฤทธิ์ที่จะดูกโปรดพระมารดามีพระโมคคลานะนะั่ะคงจะเป็นบุพกรรมหรือกรรมเก่าก็าไม่รู้หรือว่าเป็นกรรมที่ท่านเคยฆ่าแม่มาหรือว่าแม่คนนี้หรือเปล่า วิญญาณแม่คนนี้ระเป่ากับพระโมคคลลาจึงลงกันไม่ได้เนี่ยพระโมคคัลลาจะโปรดแม่โปรดไม่ได้แม่ก็เลยตกไปทางต่ำนะก็นอกนั้นพระาราหันทางหลายทางปวงเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งมารดาบิดาเนี่ยอย่างองค์หลงตาก็เหมือนกันอพอท่านได้สำเร็จมรรคผลท่านก็นไปอยู่ที่ห้วยทราย จากนั้นท่านเ อ, อมามันโยมัรดาไปบวชก็ไปที่วัดสถานีทดลองอกลับมาแล้วก็ามาอยู่ที่บ้านตากถ้าหากว่าไม่มีโยมแม่ออกมาบวชท่านก็ต้องหนีจากบ้านตาท่านจะอยู่ทําไมพราที่ของท่านกว้างขวางแต่นี้โยมันดาบวชท่านก็ต้องอยู่เฝ้าโยมารดาของท่านท่านดูแลอย่างดีเลยนะโยมารดาของท่านหลวงพ่อเนีจัดอาหารตรงหน้าของท่าน หลวงพ่อมาอยู่นั่น12ปเนีเวลาอาหารเขามาประเคเนหลวงพ่อก็จัดตักอาหารแล้วก็สง่งถวายลงตาลงตาก็ส่งต่อแต่หลวงพ่อเนีตัดอาหารสาหรับเลี้ยงแขก เ, เลี้ยงแขกและเข้าไปในครัวด้วยลงตาถ้าเห็นทุเรียนมาเนี่ยลงตาเออโยมมันดานะโยมมันดาเรามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เพราะโยมมันดา อ, อ่ไม่ได้อยู่เพื่อใครอื่น เราอยู่เพื่อโยมันดาเราท่านพูดเท่านั้นเราจะอึกในใจของเราอลงตานี่ ล, ล้ำเลกถึงพระคุณของโยงมันดาของท่านอย่างสุดซึง้งเพราะนั้นอาหารประเภทไหนที่โยมันดาชอบยถ้าลงตาเตือนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเราจะรู้ได้เลย อ, อันนี้อาหารโยมันดาชอบอย่าให้ท่านได้พูดเป็นครั้งที่สองที่สามเราก็ตักอาหารใส่นั่นนะ ใส่ให้ถาดของโยงมารดาของท่านเพราะท่านมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนี่มาอยู่เพราะโยมารดาของท่านท่านเกี่ยวข้องกับโยมารดาของท่า น, เ, นเราต้องอ่านให้ออกเนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่ออยู่แค่นั้นเป็นเวลา12ปีหลวงพ่อได้เห็นอากัปกิริยาของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อโยมมารดาของท่านอย่างหลวงปู่มั่นก็เถอะ หลวงปู่มั่นเนพอแม่ท่านมากท่านก็บวชเป็นชี้ให้ท่านก็นามาเนี่ยมาทั้งนครพนมแล้วก็ผ่านไปทั้งมกดาหารไปผ่านไปบ้านห้วยทรายโยมญาของหลวงพ่อยังพูดให้ฟังหามนะใช้หามคล้ายๆไว้สาแหลกสาแหลกยาวๆแล้วก็สองคนผู้ชายก็หามเพราะโยมมรรดาของหลวงปู่มั่นตัวผอมๆเล็กๆ เหามได้สองคนหามไปตามทางเกวียนะพระหลวงปู่มั่นไปก่อนรวาพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็ไปก่อนอโยมมรรดาเขาก็หามหลวงปู่งปู่มั่นก็เดินตามหลังกับคณะสงฆ์โดยมากครับเจดปดองค์สิบองค์่ะมาถึงบ้านห้อยทรายท่านก็จัดที่พักให้เล็กๆทางแยกเข้าไปไปที่พักของพระสงฆ์เวลาบินเท่าบาท กลับมาตอนเช้าอย่างเนี้แหลท่านได้อาหารในบาตของท่านท่านก็ดูดูดูท่านก่อนเข้าไปแวะเข้าไปหาโยมมันดาของท่านก่อนท่านก็เลือกเลือกอาหารในบาตของท่านให้โยมมารดาให้ทานก่อนนะแล้วก็ตอนเที่ยงอีกทานอีกที่หนึ่งตอนเช้าเนึ่ยให้ทานก่อนพอเวลาพระจัดอาหารเสร็จแล้วเอามาให้มันสายเกินไปเลยท่านดูถึงขนาดท่านดูโยมแม่ของท่านจากท่านท่านก็เอาอาหารให้โยมแม่ของท่าน จากนั้นท่านก็เดินพระก็เดินตามหลังเข้าไปในวัดท่านออกพระไปองค์นึงตามหลังของท่านไปท่านก็เลือกอาหารเลยโยมแม่อาหารเนอะพอต่อมาโยมยาของหลวงพ่อเนี่ยนะไปเห็นเอ้ย่าท่านมั่นเนี่ยท่านทำอะไรตรงนี้นะ่ะท่านเข้าไปทำไมพอก็เลยไปไปนั่งดูดูโอ้ท่านเป็นห่วงแม่ของท่าน ท่านบินทบาทในรอบบ้านมาแล้วท่านต้องเอาอาหารให้แม่ของท่านก่อน เ, ออเสร็จแล้วท่านก็จะค่อยเอาเข้าไปฉันไปฉันในวัดพร้อมกับพระที่ท่านเป็นหัวหน้าพระสงฆ์นะเออจากนั้นโยมย่านี่ก็เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีแนวความคิดเป็นผู้มีศรัทธาอยู่แล้วเ อ, อ่อเขเอาอาหารที่คนแก่ชอบนะเ อ, อ่ออาหารอะไรเอาไปให้แต่เช้ามืดเลยเถนี้เออ พอไปถึงเอาเข้าวท่านฐานข้าวเหนียวใช่ไหมเอาเข้าวเหนียวไปให้แต่ว่าเช้ามืดข้าวร้อนๆอนีกไปให้โยมแม่ของหลวงปู่มั่นฉันก่อนท่านก็บอกว่าเออลูกเออแม่แดงเขาเอาอาหารมาให้แม่ทานนลลั่นแหละฉันนั่นแหะต่อไปไม่ต้องก็ได้แนละ้วเดี๋ยวแม่แดงเขาเอามาให้ทุกวันทุกวันอยู่ละละ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือ หลวงปูค่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ห่างเหินจากพ่อแม่ของท่านท่านไม่ลืมเพราะท่านยึดแนวแถวปฏิปทาของพระพุทธเจา้าพระหารตสาคตยังมีพระองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีอยากจะบวชพ่อแม่ก็ห้ามในครั้งพุทธกาลมาในธรรมประทักถฐานะมาในพระไตรปิฎกพ่อแม่ห้าม ก็เอาใจใจตัวเองอย่างว่ามกันโอ้ oh, ถ้าผมไม่ได้บวชผมตายดีกว่าแม่อนอนไม่กินข้าวพ่อแม่ก็เลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เอาบวชก็บวชลูก ee, ดีกว่าตายถ้าตายแล้วไม่เห็นกันถ้าบวชแล้วก็อย่างน้อยก็ยังเห็นพ่เอเห็นแม่ยังได้เห็นหน้าลูกอยู่เอาเลยให้บวชพ่อบวชเสร็จแล้วก็เข้าป่าแล้วอนันปฏิบัติพอเข้าป่าแล้วก็ยังถ้าออกมาถึง พอออกมาเนี่ยพ่อแม่เจ๊งเลยทํางานเพราะไม่มีใครช่วยก็คงจะตุบๆต้มอมั้ง เ, เสียอกเสียใจจนเศรษฐกิจย่าแย่เลยหมดตัวเลยเอพอหมดตัวเนี่ยพระสงฆ์ที่อยู่ในเมืองเนี่ยเข้าไปเที่ยวป่าในดงไปก็ไปเห็นพระองค์นี้อยู่ในป่าเหมือนกันนะไปก็เลยพูดให้ฟังไอ้ท่านเป็นลูกของโยมคนนั้นใช่ไหมวะพระองค์นี่ก็ใช่ออ พ่อแม่ของท่านจนแล้วนะตกทุกข์ระยากพอพระองค์นี้จะเย็ยนแล้วโอ้ตายมันเป็นเพราะเหตุไหนนะ้อพ่อแม่เราจึงเศรษฐกิจหรือว่าการเป็นอยู่จึงล่มจมขนาดนี้ น, ะนี่ต้องรีบออกมาจากป่าป่าก็มาเห็นพ่อแม่ทุกจนจริงๆรแต่พระทุกอย่งเอาไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่เดี๋ยวผมจะเลี้ยงเออเป็นพระที่เลี้ยงพ่อแม่ท่านก็ทําไปทํากับต็อปทางหลังวัดพ่อแม่ก็อยู่ โบกตบให้พ่อแม่อยู emen, him him island, the ่ทางหลังวัดเวลาท่านบินเบาทมาท่านก็เดินเข้าไปหาพ่อแม่เจก่อนเอาอาหารในบาทให้พ่อแม่กินซะก่อนทานซะก่อนพอทานเสร็จแล้วที่มันเหลือท่านก็มาทานต่อไปก็แบบเขื่อนเขิ่อนมากๆน้อยๆคงจะเป็นบางวันแต่พอได้ผ้าสีเหลืองมาพอมาสีเหลืองมาท่านก็มาซักพอซักออก เสร็จเรียบร้อยท่านก็เอาพวกน้ำหมึกน้ำหมักเกลื อ, อามาใส่สีดาสีด่างามาแต่มาเย็บให้พ่อแม่ใช้คือุบแล้วก็คือท่านดูพ่อแม่ท่านตลอดพระสงฆ์ทางหลายที่เห็นพระองค์นี้บวชมานี่ไปหาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างนี้มันไม่บวชมาทำไม เออมาบวชถ้าทําม่ได้ทําให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าคนตนํามิได้บวชมาเพื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยป่านนีพระก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปฟ้องอ่ะไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกพระองค์นั้นมาพอพระองค์นั้นก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะท่านยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์เนี่ยใจท่านเขาไม่สบายใจตุบๆตอมตอทุกข์ใจเหมือนกันพราะเลี้ยงพ่อไม่รู้วจะผิดหรือถูก แต่ไม่มีใครเลี้ยงเลยทาไงแต่ใจของท่านเลยเต็มเต็มหัวใจว่างั้นที่จะดูแลพ่อแม่พระ อ, องค์ก็เรียกมาเรียกมาก็ถามว่าทำไมเธอบิณฑบาตหรือว่าเอาของใช้ให้พ่อแม่อย่างนั้นใช่ไหมพาเอานั้นก็บอกพระเจ้าข่าข้าพระ อ, องค์ได้นําอาหารให้พ่อแม่กินก่อนจากนั้นข้าพระ อ, องค์จึงฉันต่อภายหลัง ถ้าข้าพระองค์ได้ผ้ามาว่าพ่อแม่ผ้าขาดเสื้อขาดข้าพระองค์ก็ได้นําเสื้อผ้าได้ผ้าที่รับไปรับทานที่เขาถวายมากระผมก็มาทําให้เป็นสีเสียให้ข้าว่าเอาสีดําสีแดงสีต่างอะไรมาย้อมให้มันเป็นคลาวาสใช้ได้กระผมก็ได้มอบให้จริงพระเจ้าค่ะทําไมเธอจึงทําอย่างนี้ พรเอานั่นก็รายงานว่าข้าพระองค์เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่แต่ข้าพระองค์ได้ฟังพระธรรมวัฒนนาของพอระพุทธองค์แล้วเกิดความเคารพนับถือเลื่อบใสเป็นหนทางพ้นทุกข้าพระองค์จึงได้บวชจึงอยากจะขอบวชจากพ่อแม่แต่พ่อแม่ห้ามไม่ให้บวชแต่ข้าพระองค์ก็มีใจเด็ดเดี่ยวที่อยากจะบวชเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไดขออนุญาตพ่อแม่ก็ห้าม ทัดทานไม่ไหวท่นก็เลยเอาบวช ด, ดีกว่าที่จะเห็นลูกตายข้าพระองค์ไม่ทานอาหารถ้าไม่ได้บวชพ่อแม่ก็เลยอนุญาตให้บวชครับผมพอบวชมาแล้วข้าพระองค์ก็ไปปฏิบัติกรรมาฐานอยู่ในป่ า, าแล้วก็ทราบข่าวว่ามแม่เศรษฐกิจ เ, เงินทองเสียหายไปหมดด้วยเหตุประการใดข้าพระองค์ไม่รู้แต่ข้าพระองค์กลับมาแล้วข้าพระองค์เป็นผู้ ดูแลเลี้ยงพ่อแม่ครับผมทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านจะตํำหนินะอพระพุทธเจ้าสาธุสาธุสาธุาธอ่ะนี่แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายควรเอาเป็นตัวอย่างเอาเราเกิดมาพบใรชาติใดถึงเราจะเป็นนกแขกเราก็ยังเลี้ยงพ่อแม่เราเป็นนกหงส์เราก็เลี้ยงพ่อแม่เราเป็น ราชศรีอยู่ในป่าเราก็ไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่เราถึงเกิดเราเป็นสักว์ที่ไรฉานเราก็ยังไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่เพราะท่านขอให้พวกเราท่านทั้งหลายดูแลพ่อแม่นะ อ, อในยุคใดสมัยใดไม่มีศาสนาไม่มีใครสอนใครแต่ยังมีผู้ปฏิบัติต่อพ่อแม่รักเคารพในพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่อยู่เขายังไปสู่สวรรค์ได้ เพราะว่าเขาเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ปฏิบัติพ่อแม่ของตนเองอันนี้ล่ะือคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามหลวงพ่อว่าถ้าพ่อแม่ลูกชายมาบวชในพุทธศาสนาแล้วถ้าไปตามทํานองครองธรรมหลวงพ่อเองมั่นใจว่าลูกคนนั้นจะไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ของหลวงพ่อก็เถิดหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็ไปดูพ่อแม่ถ้าจะพูด บรรยายให้ฟังแล้วก็คงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้นี่เกี่ยวกับหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับพ่อแม่โพธิสุดกันนะ่ยทั้งพ่อทั้งแม่ก็ได้มาประชุมเพิงอยู่ที่นี่เดี๋ยวจุดที่หน้าสาาลาหลวงพ่อนะเนี่ยประชุมเพิงคุณโยมแม่เสร็จแล้วก็ประชุมเพิงโยมพ่อทั้งที่มีพี่น้องด้วยกันเจคนเจ็ดแปดคนที่ยังเหลืออยู่แต่มีพี่น้องด้วยกันตายไปก่อนหน้านี้ก็มีแต่ทําไม พี่น้องทั้งหลายก็ยกให้พอหลวงพ่อเองเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็พูดให้พี่น้องฟังพี่น้องทั้งหลายก็กยังว่าชาวไร่ชาวนาแต่หลวงพ่อรู้จักกว้างขวางทั้งแพทย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อก็เออเอาเป็นภาระของครูบากแล้วกันนะพี่น้องนะมีอะไรบอกมาแต่ว่าขาดเลือขาดตกหรือว่ามีครูบาทาอะไร ไปนไม่สบายใจกับพี่น้องก็บอกมาต่างคนก็ต้องยกมือให้หลวงพ่อทั้งหมดในพี่น้องกระทั่งทุกวันนี้ทุกวันนี้เขาก็ยังเชิดชูในตระกูลของพี่น้องด้วยกันเนี่ยนะอันนี้แหละหลวงพ่อคิดว่าทางว่าพวกเราปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วราบรื่นไม่มีที่ตําหนิเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ให้ทอดทิ้งมารดาบิด า, เ, าเมื่อพ่อแม่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรให้เราช่วยดู อ, อย่าไปมองข้ามาจะช่วยเหลือพ่อแม่ได้อย่างไรช่วนหนึ่งเป็นเสียล้พ่อแม่ของเราเป็นคนรวยมีฐานะดีไม่มีความาขัดข้องเรื่องการเป็นอยู่ เ, เราก็ให้ธรรมะสอนธรรมะให้ หรือว่าทีแนวความคิดให้พ่อแม่เพราะว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องหาวัตถุไปให้ท่านอีเพราะพี่น้องดูแลอยู่แล้วอย่างภาษาริบุตรพี่น้องของท่านท่านก็รวยพอเดินไปเมื่ออายุแปดสิบภาษาบุตรแม่ของคนจะเก้าสิบกว่าเลยมั้งเพราะภาษาริบุตรก็จะป่าเข้าไปอายุมาก โอ้แม่พอแม่เห็นสารีบุตรพร้อมกับพระสงฆ์ตั้งห้าร้อยโอ้ลูกเอ้ยสมัยเป็ น, นหนุ่มๆทำไมไม่มาหาเนาะแกขนาดนี้ยังค่อยมาเอ่ ย, ยังค่อยมามาบ้านมาเรือนเนาะคือตามให้จริงพร ะ, พระสารีบุตรเนี่ยท่านก็จะดูมารดาอยู่แล้วแต่มารดาเนี่ยคล้ายๆว่าติดในทรัพย์สมบัติทั้งหมดเออ จนถึงวาระสุดท้ายตอนท่านจะปรินิพานแม่ก็ไม่รู้่าท่านจะมาตายพูดง่ายๆท่านจะมาตายในในวันนีเ้เพราะว่าตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะปรินิพานปีไหนพระสาวกทั้งหลายผู้มียานรัศนะท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานในช่วงนั้นท่านก็มองดูในอดีต อดีตชาติใกล้ๆพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะฮะองค์องค์ก่อนๆอย่างกัคุสันโท โ, ทโกนคขมโนกัจโโพในเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานพระสาวกอัครสาวกหนึ่งปรินิพานหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานหรือก่อนนะฮะท่านมองดูในอนดีตเะก่อนท่านรู้ว่าพระอัครสาวกเนี่ยต้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าในในทุกพระองค์ที่ผ่านผ่านมานะ ท่านมองในอดีตเลยจากนั้นภาษาริบุตรก็เลยเราต้องปรินิพานก่อนตามธรรมเนียมพุทธะอ่อจากนั้นพระพระพุทธเจ้าภาษาริบุตรก็เข้าไปกราบลาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ขอลาปรินิพานพระพุทธองค์ก็รู้เนี่ยแล้วก็เออเอาไปตามการอันควรของเธอเถอะนะสาราบุตรเจากนั้นภาษาริบุตรก็คาบผม แต่ว่าก่อนที่เธอจะปรินิพานขอเธอให้แสดงกรรมดีสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตให้น้องๆได้ฟังก่อนนะสาริบุตรขับผมจากนั้นท่านก่อนแสดงอิทิลิตเลยเเนะพะเป็นวาระสุดท้ายเลยนะกราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วกว็เหาะขึ้นไปบนอากาศจากนั้นก็พูดเรื่องบุพกรรมของตนเอง ข้าพเจ้าสาริบุตรที่ที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเนียได้ทํากรรมอันไหนไว้ในอดีตนะฮะในอดีตจึงได้มาอยู่จุดนี้ฮท่านก็พูดให้ฟังสมัยนั้นเป็นลือสีอย่างนั้นนั่นลังก์ไล่พูดให้ฟังอจากนั้นรงมากราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วทั้งกาลาพระพุทธ เ, เจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นบริวารก็ห้อมล้อมไปดูบ้านนาลันทาน ในกรุงราชจะคืบนี่แหละอันนี้แหละคือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาพอยนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะคณะัทธาญาิโยมพระเนนลูกหลานทุกองค์ให้ฟังเอาไว้วันนีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้ยกประเด็นขึ้นมาให้พวกเราได้ฟังเนี่ยทายังกลิ่งใจอยู่ก็ให้ไปศึกษาค้นคว้าอีกในพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อพูดอ่านเรื่องพระสารีบุตร ปลินิพานดูอ่านเรื่องพระที่เลี้ยงพ่อแม่ดูไปอ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าดูมีทั้งหมดแต่อ่านจะหายากหอยก็คือหลวงประวัติหลวงปูมั่นหลวงปูมั่นหลวงตาเนี่ยแลวก็กูบายจยา์ที่เป็นลูกของพ่อแม่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้หลวงพ่อยกประเด็นมา เปรียบเทียบให้กับพวกรังท่านหลายได้ฟังได้ศึกษานะแล้วต่อ น, นี้ไปแล้วพรนัตเน น, นาไปส่งอันโมรนาให้พร